และดูเหมือนว่าตอนนี้เราติดต่อได้เป็นที่เรียบร้อยมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสองเรื่องสั้นๆของคุณคิงครับสวัสดีครับคุณค King, King ิงคิง of ฟโก้ดสวัสดีครับพี่แจ๊อ่านะครับคุณคิงสบายดีนะก็ดีด้วยครับพี่มีจิตปจดีด้วยหรื อ, อยอ่านะครับก็ดูแลรักษาสุขภาพมนาะคุณคนะิงนาทำงานเยอะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของพวก จมูกมีเพราะว่าผมทํางานกับปูนก็ฝุ่นปูนกับละปอ้นพระอะไรเงี้ยมันจะมีฝุ่นใช่ไมใช่ใช่โอ้นะครับดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะนะครับมีคนถามหาคุณคิงเยอะเลยว่าอยากฟังเรื่องของคุณิงคุณคิงอีกนะครับวันนี้คุณคิงมาสองเรื่องสั้นๆเหมือนเดิมครับอ่านะครับมาอยากฟังนะครับเอาเรื่องแรกก่อนครับเรื่องของรอยเก่า ที่ว่านี้เป็นยังไงฮ ะ, ะเรื่องรอยเก่านี้มันเป็นเรื่องสมัยที่ผ ม, มล้องเพลงเนาะครับแล้วก็ผมเนี่ยจะได้ฟังเรื่องนี้มาจากป้าคนหนึ่งซึ่งเราไม่เคย ร, รู้เลยว่าแกเนี่ยเป็นคนที่เคยทางานในร้านที่เราลองเพลงจนก่อนที่ผมจะเข้าร้านเนี่ยผมจะต้องไปเข้าร้านแกก่อนแล้วก็ ต้องเคารพนรุ่งกวันทีทททท่ีนี้มันเกิดเรื่องขึ้นคือไอ้เด็กในร้านเนี่ยมันมีประมาณสองสคนที่เขาเป็นเด็กประจําในร้านน ะ, ะเขาเริ่มพูดกันหนาหูว่าเขาเจอผีเจออะไรเงี้ยผมก็เลยไม่จริงเหรอไหนรล่าให้ฟังแบบนี้ผมคนชอบฟังอยู่แล้วครับเขาก็พูดว่าเจออย่างนั้นอย่างนี้บางทีเหมือนมีคนเดินที่เดินขึ้นเนี่ยเดินขึ้นกระไดข้างหลังร้านนั่นแหละเหมือนขึ้นไปชั้นบนบางทีผมเหมือนมีคนมาเคาะแล้วพอเราตรวจตัวมาแล้วเหมือนเดินแว๊บลงกระไดไปเขาวิ่งไปดูไม่มี ก็เริ่มหนาหูขึ้นจนจนเรื่องเนี้ยมันมันนานมากจากที่น้องๆคนนี้เล่า น, นะออืแล้วผมก็ไปนั่งกินข้าวร้านป้าของป้าแกก็ถามว่าได้ยินข่าวไหมเขาเจอผีในร้านนะเ่ะอือออป้าอยู่นี่ป้ า, าก็ได้ยินด้วยอบอกได้ยินดีรู้ดีมากกว่าไอ้พวกนั้นด้วยป้าจะไปรู้เรื่องเลยไงออืป้าจะขายข้าวอยู่นี่นะหรือว่าเขาเอามาเล่าให้ฟังอนะ ที่ผมฟังมามันเป็นแค่อย่างเงี้ยมันแค่วัด๊อย่างเงี้ยไม่ได้กลัวอะไรนะป้าคมันมีที่น่ากลัวกว่านั้นเขาก็เลยบอกว่าเองรู้ไหมเนี่ยว่าป้าเนี่ยเคยทำงานในร้านนีมไม่ไม่รู้เหมือนกันนะป้าผมเพิ่งรู้ตรงนี้แหละถ้าป้าบอกว่าป้าเคยทาเออป้าเคยทำเมื่อก่อนนะป้าเป็นคนที่ป้าไปร้านตรงนี้ยมาเป็นสิบปีนะแต่ป้าเนี่ยจะต้องเข้าไปทําความสะอาดร้านเขาเนี่ยได้ทํางานร้านเขาอยู่ประมาณห้าหกปีได้ทำทุกวันตอนเย็น ตั้งแต่บ่ายสามเขาจะมีเด็กลงมาเปิดประตูและปางเข้าไปในห้องอาชันล่างทั้งหมดเลยตั้งโต๊ะเอาผ้าคุมโต๊ะและว้วก็ล้างห้องน้ำตั้งแต่ของผู้ชายและผู้หญิงผมก็รู้ว่าอ๋อแล้วมันยังไงวันนั้นข้าวไม่กินเลยพี่ชายผมนั่งฟังอย่งนะแกบอกว่าเรารู้ไหมว่าเจ้าของร้านเนี่ยชื่อไงเนี่ยนะเมื่อก่อนเนี่ยเขาชอบไปต่างประเทศตลอดนะ ไม่เคยรู้ครับผมไม่เคยไปยุ่งกับเรื่องคนตัวเขาเออเมื่อก่อนนะเขาจะไปต่างประเทศตลอดแล้วเขาก็จะมีน้องๆ อ, อยู่ในร้านเนี่ยซึ่งเป็นเป็นน้องที่เขารบกันแล้วก็มีที่เป็นญาติกันอยู่คนนึ่งเหมันจะมีอำ น, นาจรองกับคนเนี้ยเจ้าของร้านเนี่ยซึ่งเจ้าของร้านเขาจะบินไปเยรอรมันตลอดเลยอืแต่ทิ้งร้านไว้ให้น้องเขาซึ่งเป็นสาวคนที่สองนะดูแลเขาก็จะมี เพื่อนๆเขาที่เขาจะเรียกกันลูกๆอย่างเงี้ยเอามาช่วยเปนดูแลในร้านแล้วก็นอนในร้านเลยครับคือความเปยนแปลงมันเกิดขึ้นตั้งแต่แรกที่มีเด็กคนในฉากัด ข, ของคุณคนนี้ที่เป็นน้องเจ้าของร้านเนะี่ยเด็กที่มาดูแลจะเป็นเสียชีวิตคือเขานั่งดื่มเหล้ากันดื่มอะไรกันแล้วก็ปิดร้านแล้วก็จะมีแครแล้วก็จะมีแฟนของเขาที่เป็นลุงเขาก็พาไปเที่ยวทะเลกันคือจัดดื่มปุ๊บเนี่ยยังไม่จะได้นอนเลยไปต่อทะเลเลย และปรากฏว่าจนน้าเสียชีวิตออื่าจนน้าเสียชีวิตเขาก็เลยกลับมาแล้วเขามาบ อ, อกทางร้านก็เสียใจอะ่ะปิดร้านสามรับปิดร้านสามวันแต่ตั้งแต่คนนี้เสียชีวิตไปเนี่ยไม่มีใครได้เคยเห็นอะไรเลยนะพี่แจ็คไม่มีใครพูดเรื่องผีเรื่องมยานสาักนิดหนึ่งจนต่อมาสักประมาณสองปีให้หลังอืจากที่คนนั้นเสียชีวิตนะคือเกือบสองปี น้องเจ้าของร้านคนนะี้ยซึ่งแกเคยเสพยาเสพติดอ่ะหลังแกก็ไปเลิกเลิกยาเสพติดที่วัดดังแห่งหนึ่ง น, นะอืมเหมือนค่อนข้างที่จะหักค่อนข้างที่จะหักยาอย่างรุนแรงเพื่อที่จะกลับมาเป็นเจ้าของร้านอีกทีหนึ่งมาดูแลกันพี่เขาแล้วเขาก็กลับมาร่างกายก็สะงงอแตงแงเหมือนคนเป็นเดิร์นแลน้วบางทีก็บเบลออะไรเงี้ยนะแต่ก็ยังคงทํางานได้อยู่ยังคงดูแลร้านได้มีอยู่วันหนึ่งแกก็ออกมาบอกกับทุกคนในร้านว่า ฝันเหน็นคนนี้นคนที่ว่าเสียชีวิตไปเมื่อไม่นานแล้วปีก่บปีเน<ม>ี่ยที่จังนาเ น, น่ะมันมาชวนฉันไปอยู่ด้วยวะ่ะเพรเฮ้ทําททำบุญเลยเจ๊ทำบุญเล ย, เลยนู่นนี่นัน่นมันก็มันก็คงจะเป็นฝันเฟเจอร์มเพราะตอนนอนนก็นบ่มันไม่เฉยว่าเป็นยังไงบ้างเขอยู่ตอนนี้ไปเกิดหรือยังอาจจะเก็บไปฝันแต่ก็ไม่ยอมไปทำบุญ ก็ปรากฏว่าต่อมาไม่นานแกโดนรถชนตายอืมแต่โดนรถชนทายเนี่ยป้าคนนั้นแกก็ยังมาทํําทางานตลอด น, นะเหมือนอย่างของตอนที่คนแรกคนนันเสียชีวิตร้านปิดสามวันเนี่ยแต่มันมีเด็กในร้านอยู่นะพีอแจอและสมัยก่อนมันยังไม่มีกฎหมายที่ห้ามสูบบุหรี่ในร้านอืเวลาที่เขาเปิดร้านเนี่ยเขาก็สูบบุหรี่ในร้านกันหรือว่าเด็กที่อยู่ในร้านแล้วร้านปิดเนี่ยมันก็ลงมานั่งสูบข้างล่างกัน่ะครับ แล้วมันก็ไม่ค่ยด้ดูแลป้าคนนี้ก็จะมีหน้าที่ในการไปดูแลทุกวันถึงแม้ร้านปิดแต่ก็ยังทําำทำหน้าที่นี้อยู่อืมจนมาคนนี้เสียชีวิตเนี่ยก็ปิดร้านเจ็ดวันเจ้าสองร้านยินกลับมาจากต่างประเทศด้วยครับมาดูแลป้าก็ยังคงมาทำความสะอาดอยู่ไม่ได้ไปงานศพอะไรเขาเพราะว่าก็เป็นคนที่รับจา้างเฉยๆนะอืมแล้ววันหนึ่งเขาก็มาทําความสะอาดร้าน ในขณนะที่กำลังตั้งโต๊ตทั้งหมดแล้วทุกอย่างเนะี่ยก็เข้าไปด้านหลังเพื่อที่ทำความสะอาดห้องน้ำเหมือนเดิมครับ<ะ>ซึ่งตั้งแต่คนนั้นตายจนมาคนที่ตายเนะี่ยถ้าหก ว, วันแรกก็ไม่มีอะไรอืม<ะ>แต่ก็ไม่เคยกลัวแจกก็บอกว่าป้าไปทำความสะอาดเพราะาป้าไม่เคยคิดเลยว่าจะไปยุ่งอะไรกับเขาไม่เคยแตะของของเขาเลยสักนิดนึง่งครับแล้วป้าก็ไปทำงวามสะอาดทีนี้ป้าก็ทำความอาดห้องสังผู้ชายก่อนอืความสะอาดน้องสางผู้ชายทำห้องทำคาสะอาดเสร็จปุ๊บเนี่ยในร้านจะต้องบอกกอนว่ามันม<ะ>ืดเพราะว่าเขาจะเป็นร้านแบบ ขณะกลางวันนะพีแจ๊คถ้าปิดไฟก็ยังมืดอยู่เลยแล้วเขาก็ทำารทำนั้นฝังชายเสร็จแล้วเขาก็ข้ามมาฝั่งหญิงซึ่งประตูมันมันลาเข้ามาหากันเนาะในขณะที่ทำฝั่งหญิงอยู่เนี่ยฝั่งชายก็ปิดไฟแหละทฝั่งหญิงมันมีความรู้สึกเหมือนว่ามีคนมีคนเดินเข้าไปในน้ำป้าแกบอกมันมีครู้สึกอย่างนั้นนะแกก็เลยหันไปมองเมือนมีคนเข้าไปในห้องน้าแต่ไม่ปิดประตูแล้วมันก็มืดแค่ไหนน่ะเขาก็เลยคิดว่า ไอเด็กผู้นี้มันมาฉี่มันไม่เปิดไฟเดยมันก็ฉี่เล้วขอบผัวซึ่งแกเพิ่งจะล้านไปไะแกก็เลยยืนจ้องนะว่ากล่าวว่าออกมาแล้วแกจะบ่นใส่มันว่าองนั้นนะแล้วก็มีเงาไม่เงาเป็นคนเป็นคนเป็นๆมาเดินออกมาอืเป็นคนที่เสียชีวิตไปแล้วครับออนุ่งกระโจมอกคือเขาเป็นาปสาวได้ต<อ>่อเนอะเอาผ้าเช็ดตัวสีขาวนุ่งกระจงอกแล้วก็เอาผ้าเช็ดตัวพันพันหัวด้านบนเหมือนผู้หญิงพันผมยาวอนะ่ะครับ แล้วก็ออกมายืนทื่อๆคนจะพํววามรึกมายืนอย่างนั้นยืนตรงๆแล้วมองเหนือหัวปาดปาแกก็ตกใจแกร้องไห้ไว้เสร็จถอยหลังแล้วแกก็ปิดประตูเข้ามานะครับประตูห้องน้ําญิงเนี่ยจะอยู่ใ น, นห้องน้ําญิงประมาณมาณห้านาทีได้นะอืมประมาณห้านาทีก็ได้ยินเสียงคนเดินลงมาจากกระไดแล้วก็มาประตูฝั่งนู้นครับแล้วก็มาทางประตูฝั่งแกเฮ้ยปาดไปไหนเนี่ยปาดปาดปาอยู่ไหนเนี่ยแกก็เยังหูฟังนะออกมเป็นเสียงเด็กในร้านครั เด็เน้ อ, องางนแวแกก็ใจชืนขึ้นมานะป้าป้าเป็นไรเนี่ยแล้วสั่งห้องน้ำชายบ้าล็อกทไมเนี่ยล็อแล้วผมจะเข้าห้องน้ำยังไงเนี่ยปากอว่าไหนล็อตรงไหนแกก็เปิดออกมาแล้วก็ไปถึงกพุ้งไปจับประตูห้องน้ำชายแล้วก็เขย่าลูกบิดนะ<ข>เฮ้ยมันล็อได้ยังไงปกติป้าก็ไม่ได้ล็อกเม่นี้ป้าก็ไม่ได้ล็อกนะแล้วแกก็บิดบิดลูกลูกบิดอยู่นั้นเหมือนลูกอยูน่นันในใแกกว่าจะบอกมันดี ว, ว่าแกเจอผีเน<ข>ี่ยแล้ว แต่ก็ดิดแล้วใจก็กลัดตาหันไปถามว่าเขาบอกว่าป้าเนี่ยากลัดาหันไปถามว่ า, วามันกลัวผีไหมกาจะตาหันไปถามอย่างนี้แต่พอใจหันไปพู๊ว่าไอเสียงคนพูดอ่ะมันไม่ใช่เสียงเด็กในร้านมันเป็นผู้ชายคนนั้นที่เป็นกระเทยคำถามที่สองเนี่ยเขานั่งยองยองอยู่ทั้งพ้าผ้าทิชชู่กับโต๊ะแล้วก็ถามว่าแล้วกูจะได้อาบน้ําเมื่อไหร่ใจก็เลยช็อกจจบอกใจช็อกแล้ว ลมลงหน้าห้องน้ำเลยจนเด็กในร้านอนะ่ะมาเรียกแกค่แะแล้วแกก็ถามจําเสียงเด็กคนนี้ได้ใช่ไถามว่าเมื่อกี้นี่มึงไม่ลงมาห้องน้ํำไหมมึงยังไม่ให้ลงเลยป้าแล้วเพื่อนไปเรียกมาว่าป้าเป็นลมอยู่เนะี่ยก็เลยลงมาดูกันเนะ่ยค่แะแกก็เล่าให้ฟังนู่นนะี่นั่นเด็กในร้านี่มีไอ้ก้าอยู่เลยนะอืมไม่มีกล้าอยู่เลยก็ปิดประตูแล้วแกก็บอกเ่ืมนะันจะออกเลยแล้วแกก็มาขายข้าวอยู่ข้างหน้าค่น แต่แกไม่เข้าไปยุ่งที่ร้านเลยให้เอาแบบข้าวเข้าไปส่งเนี่ยถ้าถ้าเด็กในร้านสั่งเนี่ยแกก็จะบอกส่งแค่หน้าประตูแล้วมาเอาเองแกไม่อยากเข้าไปเย็นยมทาเลยนไม่เข้าไปเลยไม่เข้าไปเลยไม่เข้าไปเยี่ยมในร้านเลยครับจะเลยเอาเรื่องเนี้ยไปถามคนข้างในร้านครับแล้วป้าแกเจอจริงไหมว่าแกก็ไม่เจอจริงเพราแกก็เป็นลมอยู่จริงๆนะแต่ว่าเขาก็คือคําว่าลินทาการเลี้ยมแกครับ บ้างก็พูดว่าสงสัยป้าแกคิดจะหยิบจะจับอะไรหรือเปล่าจะเจออะไรอย่างเงี้ยอืเพราะแกทามาตั้งนานไม่เจออะไรเพราะวันนั้นเห็นไม่มีคนดูร้านก็เลยไอ้นี่หรือเปล่ามาเจออย่างนี้ด้วยแล้วอย่างถ้าแกทําดีๆอ่ะคนเนี้ยเนี่ยคนเนี้ยชีวิที่ผมโมเสจชีวิตเนี่ยผมเลบอกซีเขาเขาจะหลอกทําไมจริงไหมล่ะแล้วแกก็ตายทั้งห้าหกวันแล้วถำไมาไปเจอวันท้ายวันที่เจ็นั่นอืตั้งนานทำามไม่เจอครับซึ่ง มันก็เป็นเรื่องสองมุงมเหอนแจากระวังของป<ม>้าแกก็บอกว่าแกไม่ทําอะไระแต่แกก็ไม่รู้ว่าเขาจะหลอกส่วนทางในร้านก็บอกว่าแก น, น่าจะคิดเอาอะไรในร้านทักอย่างมผมไม่มีเงินดีเลย<ม>เด็กมันก็นอนอยู่ข้างบนหมดครับมันก็เป็นอีกมุมู้นี่ก็เป็น เ, ออเรื่องที่ซ้ำเรื่องแรกมันมองได้สองมุมจริงๆนะเรื่องนี้นะคือคแน่นอนว่าอ่าทั้งหมดเลยเนะี่ยอยู่ที่ตัวคุณป้าเขาแหละว่าณวันนั้นเนี่ยเขาไปทําอะไรหรือเปล่าหรือทําให้ได้ทํา ทำไมเขาถึงออกมาทําให้กุญป้าถึงขนาดต้องนอนสลบไปขนาดนั้นเพราะว่ า, วาคนาในร้านไม่มีใครเคยเจอไม่มีเขาไม่เคยมายุ่งกับใครน่ า, าจะเป็นช่วงที่หายไปนานเลยแต่ที่ป้าเหมันเจอแล้วแลเป็นช่วงที่ผมร้องเพลงอยู่เพราะงั้นแหะที่ไดคุยป้านะก่ะอนหน้าจะคุยกัป้าคือเด็กในร้านเริ่มโดนสองสาคนนั่น<ม> น, น่มีพฤติกรรมเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดเป็นตัวทำคนลน้อส่วนมากคนที่เจอคือจะเป็นคนที่มีพฤติกรรมไม่ดี ใช่ครับออคือคนที่เขาทํางานปกติคนที่เขาไม่มีอะไรไม่มีใครเคยเจอไงใช่เออแล้วมันก็เลยมองอีกแง่มุมว่าเฮ้ยตกลงแล้วเนี่ยคุณป้าคนเนี้ยเขาไปทําอะไรหรือเปล่าใช่เออแต่แกก็ไม่บอกเห็นว่าแต่แกสถิตที่ว่าแกไม่เหยียบคอร้านเลยนะอืมอืมไม่เหยียบในวิชาขั้นนั้นหัวค่าอ่ะที่เด็กในร้านครบแล้วมาร้องมานักดนตรีมาออืเต็มเลยแขกเขามานั่งอยู่บ้างะ แกก็ไม่เข้าใจก็บอกขอส่งแค่น้าานมัแหละครับางทีแกเอามาถึงมาวางเด็กในร้านยังไม่ออกมาเก็บอกเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเขาให้มันไปตามไปจ่ายอีกหลังแกไม่อยู่ดูในร้านไม่อะไรประมัณนลยนะห้าห้าโอ้ไม่แน่นะอันนี้ไม่รู้นะแต่แค่แค่คิดว่าไม่แน่นะแบบแกอาจจะไม่ได้ไม่ได้ลงมือเพียงแต่ว่าแกอาจจะคิดก็ได้ว่าจะเอาอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ผลสุดท้ายคือเอาอะไรไปไม่ได้โดนซะก่อนใช่ครับโอนะครับอ่ะนี่คือเรื่องของรอยเก่า หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืมซับสไครป์ชานเ n ลเดอะโก o เลดี้โอ o อ f ฟิกันด้วยนะครับ